1. สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับถึงจะดับบางสภาวะเห็นแล้วไม่ดับในความเป็นจริงเราไม่ได้ดูให้มันดับเราดูตามที่เขาเป็นจริงๆเราจะเห็นว่าเราบังคับเขาไม่ได้ดูอย่างนี้ไปมันจะโกรธมันก็โกรธไล่มันก็ไม่ไปดูไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องดูให้ดับหรอกสิ่งทั้งหลายไม่ได้ดับเพราะเราไปดับมันนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับถึงจะดับอย่างสมมติเราเกลียดหน้าคนนี้ ตราบใดที่เรายังเห็นคนนี้อยู่เรื่อยๆมันก็เกลียดอยู่เรื่อยๆมันไม่ดับหรอกเพราะเหตุมันยังอยู่แต่ถ้าความเกลียดเกิดอยู่ใจของเราอยู่ตั้งหากใจของเราไม่เป็นทุกข์อะไรด้วย